หนึ่งวันกับหนึ่งปีนี่มันห่างกันไกลนะแต่ถ้ามีคนบอกว่าหนึ่งวันนี่มันยาวกว่าหนึ่งปีเราจะรู้สึกอย่างไรนะเมื่อได้ฟังคาพูดแบบนี้ว่าหนึ่งวันอาจจะยาวกว่าหนึ่งปีก็ได้แ้วคนฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรืออาจจะหนักกว่านั้นก็หาว่าคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยนะ โง่ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าในความเป็นจริงหนึ่งวันมันสามารถจะยาวกว่าหนึ่งปีได้นะแต่ไม่ใช่ในโลกนี้นะต้องไปอยู่ดาวสุกนะดาวพรุกนี่หนึ่งวันมันนานกว่าหนึ่งปีหนึ่งวันนี่หมายถึงว่ามันโคจรมันหมุนรอบตัวเองนะหมุนรอบตัวเองก็เรียกว่าหนึ่งวัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ก็เรียกวันหนึ่งปีดาวศุกร์นี่มันหมุนรอบตัวเองใช้เวลานานกว่ามันหมุนรอบดวงอาทิตย์นะก็คือหมุนรอบตัวเองก็ประมาณ224วัน243วันแต่ถ้าหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็224วันนั้นถ้าเราอยู่ในดาวศุกร์นะ หนึ่งวันจะยาวนานมากนะยาวกว่าหนึ่งปีมันเป็นไปได้นะแต่ว่าคนทั่วไปนี่ถ้าได้ยินว่านหนึ่งวันนานกว่าหนึ่งปีเขาก็จะไม่เชื่อหรือต่อว่าคนที่พูดเช่นนั้นนะว่างโง่หรือว่าโกหกในโลกหรือในจักรวาล น, นี้นะอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้นะ แม้จะไม่ต้องพูดถึงจั ก, กรวาลเอาแค่ในโลกนี้เนี่ยอะไรที่มันไม่ตรงกับการรับรู้ของเราก็อย่าพึ่งไปปฏิเสธว่ามันไม่จริงอะไรที่มันไม่ตรงกับความคิดของเราก็อย่าพิ่งไปปฏิเสธว่ามันไม่ถูกนะชาวพูดนี่นะเราต้องมีท่าที แบบที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจานุรักษ์สัจจานุรักษก็คือถ้าแปตรงตัวก็คือการคุ้มครองการรักษาความจริงท่านหมายถึงว่าหมายถึงการมีท่าทีเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ต่างจากที่ตัวได้รับรู้มาหรือต่างจากความคิดของตัว ถ้าทีนั้นคือว่าอย่าปฏิเสธอย่าพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งปฏิเสธว่าสิ่งที่อยพึ่งปฏิเสธว่าสิ่งที่คนอื่นรับรู้มานั้นถ้าต่างจากเราแล้วเป็นผิดความคิดของคนอื่นถ้าต่างจากเราแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วคนที่มีสัจจานุรักษนะก็จะไม่ด่วนสรุปว่า สิ่งที่เรารับรู้มาเท่านั้นที่ถูกความคิดความเห็นของเราเท่านั้นที่จริงหรือว่าถูกต้องนะคนอื่นแม้จะรับรู้มาต่างจากเราหรือว่าคิดต่างจากเราก็อาจจะถูกก็ได้อาจจะจริงก็ได้นะอันนี้เรียกว่าสัจจานุรักษ์นะซึ่งจำเป็นมากนะสำหรับยุคปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมี ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากแล้วก็การรับรู้ก็แตกต่างกว้างขวางนะตามธรรมดาของยุคโลกาภิวัตน์นะความรับรู้ของคนเรานี่มีจำกัดแม้ว่าเราจะหูตา ก, กว้างไกลแค่ไหนสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมามันก็จำกัดแม้เมื่อคนอื่นเขาบอกว่าเขาได้เห็นอย่างนี้เขาเจออย่างนี้มาเขาได้รับรู้อย่างนี้มา และต่างจากเราเราก็อย่าพึ่งไปปฏิเสธว่ามันไม่จริงใครที่บอกว่าฉันคิดแบบนี้แลวมันต่างจากความคิดของเราก็อย่าพิ่งปฏิเสธว่าความคิดของเขาไม่ถูกต้องเมือ่อใดก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นในความรับรู้ของเราว่าสิ่งที่เราเรารับรู้มาเท่านั้นที่จริง ความคิดของเราเท่านั้นที่ถูกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจานุรักษ์นะก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผูนะ้เจ้าก็ตรัสสอนเรื่องนี้มานานแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วนะก็ยังใช้ได้อย่างดีแล้วก็จําเป็นมากสาหรับยุคปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้ผู้คนขัดแย้งกันมากถึงขั้นทะเลาะวิวาทกันก็เพราะ ต่างยืนยันว่าสิ่งที่ฉันรับรู้มาเท่านั้นที่จริงสิ่งที่ความคิดของฉันเท่านั้นที่ถูกไม่ว่าจะเป็นความคิดทางศาสน า, า, า, าทางการเมืองหรือว่าแม้แต่ในทางวิชาการแม้กระทั่งในหมู่คนที่นับถือศาสน า, า, าเดียวกันก็ยังะทะเลาะกันได้นะเพราะว่าอยู่คนละสำนักนะ เถียงกันว่าสำนักของฉันเท่านั้นที่ถูกสำนักของเธอนั้นผิดการปฏิบัติของฉันเท่านั้นที่ถูกนะการปฏิบัติของของเธอมันไม่ถูกนะแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ถึงกับขั้นลงมือทําร้ายกันแต่ถ้าเป็นนิกายในศาสนาอื่นนะมาถึงขั้นทําสงครามกันเลยอย่างตอนนี้นี่ในซีเรียในอิรักนี่ สองนิกายของาศาสนา i ส l ามก็กําลังทําศึกสงครามกันนะฝ่ายหนึ่งก็ซุนนีฝ่ายนึงก็ชีอะฮ์แล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะในตอนออกกลางนะก็เป็นไปถึงในปากีสถานแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังนะถึงแม้จะไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องความคิดทางาศาสนาที่ต่างกันก็อาจจะขัดแย้งกันเรื่องความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันก็ได้ แล้วมันก็มีมาแล้วนะความขัดแย้งนี้<ม>บ่อยครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไกลตัวก็คือเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเกิดขึ้นกับเพื่อนกับคนในครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกหรือเพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้องนะยิ่งสมัยนี้นะมันมีการตัดขาดกันได้ง่ายทะเลาะ ก, กันได้ง่าย เพราะว่ามีสื่อที่รวดเร็วทันใจเช่นเฟซบุ๊กไลน์นะแต่ก่อนนี่คิดยังไงก็ยังแสดงออกได้ไม่รวดเร็วทันใจแต่เดี๋ยวนี้มันรวดเร็วทันใจมากไม่พอใจก็ว่าไม่เห็นด้วยก็ดา่านะที่จริงไม่เห็นด้วยก็ชี้แจงได้นะชี้แจงแสดงเหตุผลไม่ใช่ดา ในยุคนี้นี่มันต้องใส่ความใจกว้างมากแล้วก็ต้องใส่สติที่ไม่รีบด่วนสรุปว่าฉันเท่านั้นที่ถูกถ้าเธอไม่เหมือนฉันก็ผิดจริงๆพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้มีท่าทีที่เป็นทางสายกลางนะก็คือด้านหนึ่งก็อย่าพึ่งด่วนเชื่อนะกาลามาตรนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นคําแนะนําที่เตือนใ ห, ให้ให้เรานี่อย่าหลงเชื่ออย่ารีบเชื่อ อย่าเชื่อแต่เพียงเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันมีอยู่ในตำราอ้างอิงคำพีอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้ผู้เป็นครูของเราเพราะมีลักษณะอาการน่าเชื่อถือเนี่ยคนจำประเภทนี้ก็เชื่อเร็วมากนะก็ต้องอฟังกาละมาสูตรเอาไว้อีกคนประเภทนึงก็ด่วนปฏิเสธเร็วมาก เพราะว่ายึดติดในความคิดการรับรู้ของตัวตอันนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ดวนเชื่อแล้วก็ไม่ดวนปฏิเสธนะอันนี้คือทางสายกลางนะซึ่งจำเป็นมากที่ต้องมีนะในยุค ป, ปัจจุบันล้ก็ชานี้ก็พื้นท